พุทธธรรมจบับหับขยายชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่7ประเภทและระดับแห่งนิพพานผู้บรรลุนิพพานเท่าที่กล่าวมาเกี่ยวกับภาวะแห่งนิพพานก็ดีภาวะแห่งผู้เข้าถึงนิพพานก็ดีเป็นการแสดงในระดับสูงสุดคือพูดถึงตัวภาวะแท้จริงที่สมบูรณ์และบุคคลผู้เข้าถึงภาวะนั้น อย่างเสร็จสิ้นบริบูรณ์แต่ถ้าพูดผ่อนลงมานิพพานนั้นยังอาจแยกประเภทได้และบุคคลผู้ดำเนินในวิถีทางเพื่อเข้าถึงนิพพานก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลายขั้นหลายระดับดังจะเห็นได้ตามหลักฐานว่าคนจำนวนมากผู้เข้าถึงกระแสสู่นิพพานหรือผู้เริ่มมองเห็นนิพพานแล้วยังอยู่ครองเรือนมีครอบครัวมีบุตรภรรยาและสามี ดำเนินชีวิตที่ดีงามอยู่ในสังคมของชาวโลกอย่างไรก็ตามการชี้แจงเกี่ยวกับประเภทและระดับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือภาควิธีการซึ่งจะกล่าวต่อไปข้างหน้าการยกมาพูดในตอนนี้จึงยากที่จะเข้าใจชัดจึงจะแสดงพอให้เห็นหลักทั่วไปส่วนการอธิบายขยายความถ้ามีโอกาสก็จะกล่าวในภาคปฏิบัติข้างหน้า ข้อหลักที่หนึ่งประเภทและระดับของนิพพานควรเข้าใจไว้ก่อนว่าตามภาวะที่แท้จริงนิพพานมีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ที่แยกประเภทออกไปก็เพื่อแสดงอาการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิพพานบ้างพูดถึงนิพพานโดยปริยายหรือความหมายของแง่บางด้านบ้างโดยปรมาิ คือความหมายสูงสุดหรือความหมายที่แท้จริงนิพพานไม่มีการแบ่งประเภทแต่ที่แบ่งเป็นสองนั้นเป็นการแบ่งโดยปริยายเท่านั้นโดยพยัญชนะหรือตามตัวอักษรนิพพานมาจากนิอุปสั์แปลว่าออกไปหมดไปไม่มีเลิกบวกวานะ แปลว่าผัดไปหรือเป็นไปบ้างเครื่องร้อยรัดบ้างนิพพานใช้เป็นกิริยาของไฟหรือการดับไฟหรือของที่ร้อนเพราะไฟแปลว่าไฟดับดับไฟหรือดับร้อนหมายถึงหายร้อนเย็นลงหรือเย็นสนิทแต่ไม่ใช่ดับศูนแสดงภาวะทางจิตใจ หมายถึงเงย็นใจสดชื่นชุ่มชื่นใจดับความร้อนใจใหายร้อนรนไม่มีความกระวนกระวายที่แสดงความหมายนี้มักใช้ในรูปกิริยาศัพท์หรือคุณนามเป็นนิพุตต์หรือแปลว่าเป็นเครื่องดับกิเลสคือทำให้ราคาโทสะโมหะหมดสิ้นไป ในคมภีร์รุ่นรองและอัถกถาดีกาส่วนมากนิยมแปลว่าไม่มีตันหาเครื่องร้อยรัดหรือออกไปแล้วจากตันหาที่เป็นเครื่องร้อยติดไว้กับภพบข้อความแสดงวิเคราะห์สัพนิพพานมาในคัมภี์มากมายหลายแห่งแต่ส่วนมากซ้ํากันหรือคล้ายกันนอกจากความหมายที่กล่าวแล้วข้างต้นยังอาจแปลว่าปราศจากป่า คือไม่มีปากิเลสไม่มีดงกิเลสหรือแปลว่าดับทุกขทั้งสามชนิดคือทุกขทุกวิปรินามทุกข์และสังขาระทุกข์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงแสดงพระมติว่าในยะหนึ่งควรแปลว่าหาของเสียบแทงมิได้